เราสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเราจะเคลื่อนไหวมือของเราเป็นจังหวะจังหวะพลิกว่ําก็รู้สึกพลิกมือหงายก็รู้สึกรเราจะยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ14จังหวะตามแนวลุงพะเทียนก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันย่อมมีได้อยู่เสมอเสมอทำใหม่ๆขอให้เราเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อย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 เท่ากับว่าเราได้มีสติแล้วได้ปฏิบัติแล้วอันนี้สำคัญมากเราอย่าเพิ่งไปหวังผลว่าจะได้อะไรจากการปฏิบัติการหวังผลทำให้ใจเราต้องฟุ้งซ่านสงสัยบางท่านนี่พอเริ่มลงมือปฏิบัติใจก็สแสวงหาความสุขแล้วอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดอันนี้แหละ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 ถ้าเราไม่บรรลุผลหรือมรรคผลนิพพานในชาตินี้เราก็ไปเกิดดีมันเป็นกิจสุดท้ายตอนกิจจะดับเนี่ยให้ญาติคอยบอกว่าพุโทโธพุโทโธนะเราไม่ต้องผู้ที่ปฏิบททัติธรรมเจริญสติอยู่เสมอเสมอไม่ต้องอห้มีใครมาบอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราสร้างมันอยู่แล้ว เ, เพราะนั้นช่วสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราอาจจะเห็นผลตรงนั้นก็ได้